คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เมเย็นกะมุลชนทั่วแคว้นแดนสยามยินประยศลือนามเลิศล่ายนพระพักจรัดงามหรือเรื่องยงยิ่งพระขวัญฟ้าร่มกล้าวชาวไทย อันเชิญรายรัฐเอื้ออภิบาลพระเอยสามมิถุนาอุดมวานสวัสดทวนปวงเทพสาธุการถวายพระผ่อนเฮยถวยราปรดปลาโมตล้วนนอบน้อมบังคมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บ, บุรี นายโสพลสาธรสัมฤทธิผลประพันธ์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 สาขาที่ 1. ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีจังหวัดปทุมธานีและสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีศูนย์รังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม0 2 5ย์สองห้า Food Innovation แอนด์ a r าร์ท19งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงศึกษาหกรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัพเดตเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร 5-6 กรกฎาคม2562ณ ห, ห้องประชุมสงทนาพิทักษ์ราชมงคลธัญบุรีโทร 02-5494150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 บนพื้นที่กว่า20ไร่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี Activity In Museum การจัดกิจกรรมและให้ความรู้เรื่องบัวตำรับอาหารจากบัวรผลิตภัณฑ์เวยสำอางและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบัวไอเดียการสร้างอาชีพจากบัวและคลินิกบัวที่พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและจาหน่ายสายพันธุ์บัวหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบบัวไม่ควรพลาดเชิญชมและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธรรัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้กรุงเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ3โมงจันทร์ถึงศุกร์โทร 02-549-3043 หรือที่ w ว w l o t u s r m u t t a c t h คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศสมัยใหม่โดยตอนชัยจาทร์รัสุภแสงคลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรีเยอดบเก้าจุดหเมกะเฮิร์ต สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์เรดิโอนะครับทาง FM89 อ็มแุท่าเมกะเฮินะครับอยู่กับผมพรมชัยจนันทะร์ปรสงนนะฮะปกอมิง้งพระจําวันจันทร์ที่สามธันานายหกสิบนะครับเป็นวันหยุดนะักขัตเลกอีกหนึ่งวันก็เป็นวัน ส, สบายๆของหลายๆคนนะครับวันนี้ก็น่าจะใช้เวลากับการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ก่อนที่พรุ่งนี้จะกลับไปลุยงานหรือกลับไปเรียนกันต่อนะครับวันนี้กับ1ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมนะครับใน วันสบายๆแบบนี้นะฮะที่จะนำสาระนะฮะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับดิจิ t a l Life s ไ y l e ทั้งในแง่มุมของการใช้ชีวิตรวมถึงในแง่มุมของการทำธุรกิจที่จะเรียกว่าเอาดิจิเข้ามาเกี่ยวข้องมาฝากกันนะครับวันนี้พี่หมิงก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเยอะแยะเลยนะครับแน่นอนฮะอยากจะแนะนำกิจกรรมหนึ่งสำหรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นกิจกรรมสมัมมนาที่เกี่ยวข้อง ก, กับการนาเทคโนโลยีไป transform หรือ เปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจของเราให้ท่านท่วงทีกับยุคปัจจุบันนี้นะครับกับสัมมนาดิจิตอลทท์ฟอร์มที่จะจัดขึ้นวันที่27มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับยังไงเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะฮะพี่มิงก็จะนำารายละเอียดต่างๆรวมถึง เ, เนื้อหาว่ามันมีใคร พูดบ้างใครมาเป็นแขกรับเชิญบ้างนะฮะมาฝากกันในสัปดาห์หน้าส่วนสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเยอะเลยนะฮะเรามาเริ่มต้นกับเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องของ Google เขาบอก Google เนี่ยกำลังทําให้ Play Store เนี่ยเป็นมิตรกับเด็กมากขึ้นแอบข่าวนี้น่าจะเป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหลายๆคนนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีพ่อแม่หลายๆที่กังวลเกี่ยวกับกูเกิลตัว Google Play Store เพราะว่าบางเนื้อหา บางอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมกับเด็กทําให้ Google เลยต้องออกนโยบายให้กับนักพัฒนากําหนดเนื้อหาที่เหมาะสมนะครเข้าใจว่าน่าจะมีการกําหนดเรทอายุอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดย Google เนี่ยได้กําหนดนโยบายใหม่สําหรับนักพัฒนาเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถสร้าง Google Play Store ที่กําหนดเนื้อหาสําหรับเด็กมากขึ้นตอนนี้พวกเขากําลังเปิดตัวนโยบายใหม่เลยนะสำหรับ นักพัฒนาหรือว่าเดเวลลอปเปอร์น ะ, ะเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถสร้าง Google Play Store ที่เป็นมิตรกับเด็กมากขึ้นจริงๆเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นมิตรกับผู้ปกครองมากกว่านะเด็กอาจจะไม่ค่อยชอบ <c oughs> นะโดยนักพัฒนาสามารถกำหนดเนื้อหาดังตั้งแต่เริ่มการเผยแพร่แอปลงเข้าสู่ผาาเรียกตั้งแต่แอปเนี่ยลงสู่ว่าพอผ่านว่าเหมาะจะสพเหมาะสมกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กคือพูดง่ายว่าคอสเข้าไปเนี่ยสามารถกาหนดได้เลยว่า แอปของเขาที่พัฒนาเนี่ยเขาทำมาเพื่อเด็กหรือผู้ใหญ่และพวกเขาสามารถดูข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้งานผ่าน Google Console application ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาแอปนะฮะของ Google ซึ่งจะมี แดชบอร์ดแดชบอร์ดก็คือเป็นเหมือนตารางสรุปให้ดูว่ามีใครอายุเท่าไหร่ที่เข้ามาใช้งานแอปบ้างนะครับหากกลุ่มผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นเด็กทั้งที่เนื้อหาของแอปนั้นไม่เหมาะสมกับเด็กตามที่นักพัฒนากำหนดไว้ตั้งแต่ต้น Google เขาก็จะมีมาตรการในการจัดการเพื่อให้เด็กเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับ Google ก็ยังไม่มีวิธีที่จะรู้ว่าผู้ใช้งานอายุจริงๆเท่าไหร่ของขอ ง, ของเาก็คือพูดง่ายว่า เวลาเวลาเด็กกรอกอายุเนี่ยมันก็ยังเฟคได้นะเพราะฉะนั้น Google เองก็ยังยังไม่สามารถที่จะจาเพาะได้ขณะนั้นนะฮะซึ่งอันนี้พี่มิ้งเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการแท็กจากใบหน้าหรือเปล่าก็ามไม่รู้นะฮะว่าอ่ะสแกนใบหน้าดูสิว่าหน้าคุณอยู่ในช่วงอายุไหนแต่ถ้าสมมติใครหน้าเด็กๆนี้ก็ลาบากเหมือนกันนะเพราะว่าเอ่อเาเรียกว่าหน้าเด็กแต่อายุ เกิดถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คงดีแต่ถ้าเป็นเด็กสมมติเด็กและโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วแต่หน้าตาสลีละยังดูเป็นเด็กเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตถ้าเกิดใช้ระบบเขาเรียกว่าแท็กหรือว่า Detect จากใบหน้าอะไรอย่างงี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอก Google ก็ยังไม่รู้ว่าผู้ใช้งานอายุเท่าไหร่จริงๆนอกจากจะเราจะบอก Google จากขั้นตอนการสมัครจริงๆแต่ถ้าพ่อแม่ใช้ไดีของตัวเองนโยบายของ Google ก็ อาจจะไม่มีผลคือพูดง่ายว่าเด็กไปใช้ไอเดียของพ่อแม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องหามาตรการแล้วก็วิธีการอื่นๆเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็จัดการในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับพูดถึงประเด็นของการเรียกว่าจำาแนกอายุหรือว่ากำหนดเลตติ้งในการเข้าใช้งานเนี่ยจริงๆก็มีมานานแล้วแหละสมัยก่อนก็จะเป็นพวกหนังภาพยนตร์อย่างเช่นหนังเรื่องนี้หรือรายการนี้ซีรีส์ละครเรื่องนี้เหมาะกับ คนอายุเท่าไหร่เด็กอายุเท่าไหร่ถ้าอย่างโงหนังนี่มันสกรีนได้แต่ทีวีก็ส ก, กรีนไม่ได้เพราะว่าเปิดปุ๊บ ก, ก็ขึ้นมาก็ได้แต่คําเตือนแต่ถ้าลงหนังเนี่ยเขาก็จะกำหนดเลยว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่หรือหนังเรื่องนี้เด็กอายุต่ำกว่า15ไม่สามารถเข้าชมได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งแหละครับว่าพัฒนาการของโลกมันเปลีป่ยนไปเร็วเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เราเคยมอกว่า เด็กไม่ควรจะรู้ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะรับรู้ได้แล้วนะครับก็เป็นพัฒนาการซึ่งเราคงต้องปรับตัวกันไปตามยุคตามสมัยนั่นเองนะครับส่วนท่านผู้ฟังนะฮะฟังแล้วมีความเห็นอย่างไรก็ไปร่วมแชร์ความคิดเห็นได้ในคอมเมนต์เวลาเราไปรีรันในโซเชียลหรือว่า Facebook ของทางสถานีนะฮะก็ไปคอมเมนต์ได้ว่าเออมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยได้ก็อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของพี่มิงนะครับที่นํามาแชร์กันแต่ว่าข่าวเนี่เป็นข่าวจริงก็ถือเป็นข่าวดีฮนะอย่างน้อย ก็มีจุดเริ่มต้นที่ดีเดียเ๋ยวในอนาคตก็คงจะเพิ่มตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเป็นน้องๆหนูๆที่เจอมาตรการแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจหนักเนา ะ, ะแมมมาตัดสิทธิ์ของฉั น, นอดเข้าเปิดแอ ป, ปที่ตัวเองเคยเข้าสนุกสนุกแล้วมันอาจจะรุนแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังไงก็ฝากไว้กับ Google ละกันครับ มาที่เรื่องราวของเอ s สันกันบ้างนะครับ e อ s สัเปิดโลกการพิมพ์ด้วยดิจิทัลให้เหล่านักศึกษาด้านแฟชั่นได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับถือว่าเป็นข่าวดีๆจาก e p s สันที่จัดกิจกรรมดิจิ t ัล Textile Workshop กนะครับให้กับนักศึกษาด้านแฟชั่นห้าสถาบันโดยมี d e ไซ g n อร์ชื่อดังแห่งแบรนด์ โครโสสนะครับมาร่วมแชร์แนวคิดของการทำธรรุรกิจนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่เอฟสันจัดขึ้นอยู่เป็นประจำนะครับเขาใช้ชื่อตัวนี้ว่า e f s ฟสัน i ิจิตอลเ t ็ i ซ์ไทแวร์ชโดยเน้นเพื่อการสนับสนุนให้น้องๆที่กำลังศึกษาในคณะหรือว่าสาขาด้านการออกแบบและแฟชั่นทั้งห้ามหาวิทยาลัยได้แก่อะไรบ้างมีมหาวิทยาลัยธรรุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลายัยศรีนคริน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ส, สุนันทาและก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยโดยนักศึกษาทั้งห้าสถาบันเนี่ยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโลกแห่งการพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอลเนี่ยยังจะได้รับความรู้จากวิทยากรพิเศษอย่างคุณนัทมั่งคั่งนะฮะดีไซเนอร์ชื่อดังแห่งแบรนด์โครเซสนะครับมาร่วมแชร์แนวคิดการทําธุรกิจแล้วก็การสร้างสรรค์คอลเลกชันในยุคที่ว่า การพิมพ์เข้าสู่ยุคดิจิตอลและวพูดง่ายว่าสมัยก่อนนเวลาทํำลายผ้าเนี่ยต้องไปเข้าโรงงานขนาดใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยแค่มี p r i นเตอร์เนี่ยหตัวก็สามารถที่จะทํำลายผ้าที่ออกแบบเองได้นะครับอันนี้เขาบอกว่ายังเปิดโอกาสให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่เนี่ยได้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ผ้าแบบดิจิตอลจากลวดลายที่แต่ละคนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เอฟสันเซอ c o l o r ร์ F Series ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์สำหรับแฟชั่นและสิ่งทอที่อยู่เบื้องหลังดีไซเนอร์และก็นักออกแบบชั้นนำเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการได้อย่างเต็มที่นะครับโดยมีทีมงานของเอฟซัตเนี่ยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยวันก่อนพอดีเดียวคงจะมีอะไรมาอัปเดตอีกเยอะนะพี่มิงได้มีโอกาสไปเป็นโค้ชให้กับโครงการโค้ชของทางตลาดหลักทรัพย์นะฮะที่เขา เอาบริษัทต่างๆบริษัทเล็กๆนะฮะที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งโดยที่เป็นบริษัทที่เต้นทําธุรกิจเพื่อสังคมนะฮะก็คือทําคืนกําไรเพื่อสังคมเนี่ยก็มีหลายๆธุรกิจที่เห็นเลยเนี่ยเช่นการทํากระเป๋าหมวกลายว า, ว, าวาดวาดวาดมือนะฮะจากน้องๆออทิสติกซึ่งพี่มิงก็เข้าใจว่าจริงๆมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือดีไซเนอร์เนี่ยก็ สามารถที an example, athlete, example, an it, then, ่จะทําภาพตัวเองได้ส่วนน้องๆออทิสติกเขาก็ถือเสมือตเป็นดีไซเนอร์ก็ถือเป็นโครงการดีๆหรือว่าบางบริษัทเขาก็เอาเหมือนกับทํำลายผ้าเองทอผ้าเองหรือบางบางบริษัทก็เอาผ้าแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยในการเย็บตัดเย็บกระเป๋าผ้าสวยๆเก๋ๆแล้วก็ดีไซน์ช่วยเขาจริงๆมันก็จะมีโครงการแบบนี้ออกมาเยอะเลยนะฮะหรืออีกบริษัทหนึ่งที่พี่มิ้งเห็นก็คือเขาเอาผู้ที่พึ่งพ้นโทษมาเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ครอบครัวยากจนมา เรียนฝึกความรู้แล้วก็ทำเป็นอาหารเป็นปลาทอดนะฮะแพ็คเกจจิ้งสวยๆแล้วก็คุณภาพดีๆทำขายด้วยจริงๆโครงการเหล่านี้น่าสนับสนุนบ้างนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ MI เอ i เขาเขาออกมาช่วยคืนกบไรสังคมเหมือนกันซึ่งพี่มิเงเองก็ได้มีโอกาสไปเป็นโคชชิ่งตรงส่วนของการแนะนำเรื่องธุรกิจยังไงเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวดีๆเหล่านี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตกันให้ฟังนะครับ มาที่ข่าวลือกันบ้างนะฮะคนชอบมากเลยกับข่าวลือเป็นข่าวลือของ s ซั sung n o ้ต10ที่เขาบอกว่าอาจจะไม่มีรูหูฟัง 3.5 แล้วนะครับมีข่าวลือกันว่า Sams ุงกาแล็กซี่โน10ที่กําลังจะปล่อยตัวออกมาซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีการประกาศในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีเนี่ยว่าจะเขาบอกว่าข่าวเนี้ออกมาว่าจะไม่มีแจ็คหูฟัง 3.5 ใส่มาให้แล้วนะหมายความว่าไงก็คือก่อนหน้าเนี้ก็ มีมือถือหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นที่เขาเริ่มเปลี่ยนไม่มีแจ็คพวกนี้นะฮะเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีเอ่อเทคโนโลยีไร้สายของหูฟังที่เอามาแชร์บลูทูธนะฮะก็เริ่มมีอย่างพวก iPhone หรือ s a m s u n งบางรุ่นนะฮะตามข่าวรือที่พูดกันหนาหูในเว็บต่างประเทศหลายแห่งนะฮะว่า a m s u ุงมีแผนที่จะเปิดตัว Galaxy Note 10โดยไม่มี ช่องใส่รูหูฟัง 3.5 มาเหมือนเดิมนะครับเพราะการออกแบบนั้นต้องการจะใส่อ็อปชั่นอื่นๆมากขึ้นเช่นปากกาที่มีความสามารถมากขึ้นระบบ Quick ชาร์ทที่เร็วขึ้นแน่นอนนะครับว่าหากไม่มีรูช่องเสียบนะ 3.5 แล้วเนี่ยการจะเสียบรูหูฟังก็ต้องใช้พอร์ต USB Type C เท่านั้นซึ่งก็คือเป็นพอร์ตที่ใช้ในการชาร์ Ba นั่นเองนะซึ่งในกล่องนั้นอาจจะต้องมีตัวแปลงมาให้แต่คงวุ่นวายดู บุญวายเพราะสมมุติว่าอยากจะใช้หูฟังด้วยแล้วก็จะชาร์จแบดด้วยเนี่ยมันก็จะทำไม่ได้นะฮะซึ่งถ้าตัวแปลงหายอีกก็ต้องซื้อเพิ่มอะไรแบบนี้ก็จะดูเป็นความยุ่งยากแต่ถ้าเลือกซื้อหูฟังที่เป็นไท p e C ก็คงจบในตัวก็ไม่มีปัญหาอะไรแบบนึงก็คือซื้อเป็นลักษะของที่เป็น Wireless ก็ได้หรือ Bluetooth ก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ย มันก็มีข้อดีข้อเสียนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช้หูฟังที่เป็น USB Type C เสียปุ๊บเนี่ยระหว่างที่คุณจะชาร์จแบตคุณก็ชาร์จไม่ได้ยกเป็นว่าคุณจะเอาไปเป็น w ไวเลสชาร์จนะฮะเหมือนกันถ้าคุณใช้หูฟังที่เป็น b l บลู tooth และสามารถชาร์จแบตไปด้วยแต่ข้อเสียก็คือการใช้หูฟัง b บลูทูธเนี่ยมันก็เปลืองแบตเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่า มันก็เป็นปัญหาของของการที่เราพยายามจะก้าวข้ามเทคโนโลยีเดิมๆไปใช้เทคโนโลยีใหม่แต่ช่วงแรกก็น่าจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะยังไงก็คงต้องจับตาดูกันไปนะฮะนับว่าเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่ต้องสู้กับแนวโน้มของเทคโนโลยีมือถือในปัจจุบันแต่ว่าออถ้าใครเป็นแฟนขับซัมซุงก็คงพร้อมจะเปลี่ยนนะฮะก็เหมือนบางคนบอกคนใช้ไม่ได้ไม่ได้ด่าแต่คนด่าไม่ได้ใช้เข้าใจใช่ไหมก็คือคนด่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้ซัมซุง แต่คนที่ใช้ Sam มซุงก็ยอมรับเหมือนคนใช้ Apple อ่ะก็ยอมรับได้แต่คนไม่ใช้ Apple ก็จะด่าว่าโอ๊ยมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เป็ี่ยนนั่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประเด็นดราม่ากันได้อีกสักระยะหนึ่งนะฮะก็จริงๆต้องบอกว่าหลังจากที่ h u ا เว่มีปัญหากับค่ายของยุโรปหรือจีนมีปัญหากับอเมริกาในเรื่องของเทคโนโลยีภาษีภาษีเรื่องสงครามการค้านี่จริงๆงานนี้ซัมซุงซึ่งอยู่เงียบน่าจะได้อานิสงส์จากความขัดแย้งตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า บางทีคนก็จะกลัวไม่กล้าใช้ค่ายหัวเว่ยถ้าเราไม่ชอบ Apple นะฮะก็อาจจะต้องหันมาใช้ a ั s u n งไปในช่วงนี้ <c oughs> ก็ต้องดูกันแล้วครับว่าอันนี้ส่งนี้จะส่งผลยาวนานขนาดไหนก็ไม่รู้ครับรายการ c o m ท Today สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลุวานพระชนเฉลิมพิพัฒเพิ่มสุขันสาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทัาปราโมโธสรานฤทยัยพระเกียรติเทระธรรมรงพระยดยิ่งดำรงสมัยราชมงคนถวายชัยสมเด็จพระราชินีทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารบุคลากรและผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี If I get. แต่ยังมองเห็นแสงตะ ว, วันที่สดใสแต่พอมองเข้าไปที่ใจฉันเองกลับได้พบแค่ความเดียวดายเก็บความเงียบเหงาไว้ในใจมานานฉันวังได้พบคนที่ห่วงใ่ ที่มีความรักริงใจให้กันอาจมีวันนั้นฉันคงได้พบเจอจริงๆอยู่แห่งไหนคนที่ฉันเฝ้าคอยเจออยากจะรู้เพียงทุกวันนี้เงาของเธออยู่ไหน อยากมีใครสักคนที่เดินเข้ามาให้ความรักและให้อายุนต่อเติมชีวิตที่ดีให้กับฉันอาจเป็นใครสักคนที่พอรู้ใจที่จะพร้อมก้าวไปด้วยกันและใครคนนั้น วังสักวันของเจออยู่แห่งไหนคนที่ฉันเฝ้าคอยเจอ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 วังสักวันคงเจออาจมีวันนั้นฉันคงเจอตัวจริง รายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เามนานานานานานเขาเรียกว่านานาไม่ได้คุยกันเรื่องของเกมมิ่งมานาน นาหนา น, น, านนะ่ะตอนนี้ขออนุ ญ, ญาตกลับมาคุยเรื่องนี้สันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าวันก่อนเราได้เห็น ZenBook Pro Duo Notebook 2หน้าจอจาก Asus นะฮะที่เขาเปิดตัวในงาน c อ m พิ t e x ก็คือช่วงที่ผ่านมามีงาน c o มพิว e x ปีที่แล้วพี่มิงก็ไปกับ Asus แต่ปีนี้ไม่ได้ไปนะพอดิติดภารกิจนะคราวนี้มาดู เ, าเขาเรียกว่า h ันนี่คอมเกลเซอร์นะฮะเกมมิ่งโนหน้าจาก Intel กันบ้างนะฮะเาบอกว่าฮันนี่ g l เลเซนะเป็นโน้ตบุกรุ่นต้นแบบที่พัฒนาโดย Intel ซึ่งมีจุดเด่นตรงหน้าจอ2ขนาดคือ 12.3 นิ้วความละเอียด1920สคูณ720่ส่วนหน้าจอหลักขนาด 15.6 นิ้วเนี่ยความละเอียดฟู l l HD ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อีกนะฮะดภาพของ Nintendo DS ก็ก็ได้หรือจะดูใน z e n น o o k Pro Duo ก็ได้นะฮะอันนี้คือเรื่องเดียวกันด้านสเปเพร้อมมาพร้อมกับ CPU Intel 8คอซึ่งยังไม่ได้ระบุว่าจะใช้ที่ไหนนะกับการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1060นะฮะโดยรวม่โดยรวมสเปคยังไม่ค่อยวาวนะักสำหรับมุมมองพี่มิงซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าตัว Honeycomb นะฮะยังเป็นเพียงเครื่องต้นแบบเท่านั้นแต่จุดที่ว้าวจริงๆคือมันสามารถแยกหน้าจอได้ตั้งให้ตั้งสูงขึ้นจนอยู่ในระดับสายตาของเราได้ด้วยทำให้สามารถใช้งานตัวหน้าจอที่2ได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้นะฮะตัวเครื่องก็ยังมีกล้อง t r u e b o y นะทวโทวียสามารถจับ ก, การมองของผู้ใช้ได้ว่ากำลังโฟกัสที่หน้าจอไหนอยู่ท้ายสุดนะฮะตัวฮันนี่คอมอยากที่กล่าวไว้ว่าตัวเครื่องจะเป็นเพียงต้นแบบแลนะแนวคิดเท่านั้นซึ่งจะนำมาใช้จริงก็ต้องรอดูกันต่อไปก็คืออันนี้เป็นโปรโตไทป์อย่างปีที่แล้วที่ไปงานคอมพเอซูก็มีโปรโตไทป์ของโน๊ตบุ๊กนะฮะที่เป็นโปรเจค ซึ่งปีนี้ปีนี้ปีที่แล้วคือเป็นโปรตัวไทยก็คือแค่มาโชว์ให้เห็นว่ามันมีอะไรแต่ว่ายังใช้งานไม่ได้จริงหรือยังไม่มีขายจริงแต่ปีนี้เปิดตัวอย่างเต็มตัวแล้วก็คิดว่าอีกสักส3าเดือนนะฮะเราก็น่าจะเห็นในในในเมืองไทยหรือดีไม่ดีนะฮะตอนงานคอมม่าจอยนะที่จัดขึ้นระหว่าง 4-7 กรกาคมที่จะถึงนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นตัวอย่างของตัวตัวเซนบุ๊กโปรดูโอที่เป็นโน้ตบุ๊กจอนะฮะ น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะคือโน้ตบุ๊ก2จอก็คือจอบนใช้งานปกติแต่ว่าจอล่างเนี่ยก็จะใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆนะครับ มาที่ข่าวของ Huawei บ้างนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าแมปไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวคิดถึงเผยชื่อ Huawei Mate 20 Pro นะครับกลับมาอยู่ในลิสต์ของ Android Q Beta ต้อีกครั้งแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีในคราวเคราะห์ของ Huawei หลังจากก่อนหน้านี้นะฮะทาง S.D.S. Association Wi-Fi a l l i a n แล้วก็ Bluetooth 6นะฮะได้เพิ่ม Huawei ให้กลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้งนะฮะหลังจากเคยถูกปลดออกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับล่าสุดนะครับกูเกิก็ เอาด้วยในการเพิ่ม Huawei Mate 20 Pro กลับมาอยู่ในลิสต์ของ Android Q-Beta อีกครั้งเช่นกันนะครับเสมเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะ google ได้ลบชื่อและก็ข้อมูลของ Huawei Mate 20 Pro และก็ที่เกี่ยวข้องกับ Android Q-Beta ออกจากเว็บไซต์นะฮะเป็นการบ่งบอกความชัดเจนว่า google เนี่ยได้ยุติการทำธุรกิจกับ Huawei อย่างเป็นทางการในเวลานั้น ตามที่เคยมีข่าวก็ออกมาเกาะนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ย e กก็ได้นำชื่อของ Mate 20 Pro ที่เคยลบออกไปเนี่ยกลับมาใส่ลิสต์อีกครั้งนะฮะซึ่งการที่อยู่ในลิสต์ของ Android Q Beta เนี่ยหมายความว่าการที่สมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ตามที่มีชื่ออยู่ในลิสต์นี้จะได้รับการทดสอบใช้งาน Android Q หรือว่าตัวเบต a าของ Android Q เนี่ยด้วย ก่อนจะไปใช้งานเต็มตัวเนี่ยนะครซึ่งการได้ทดสอบตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้ไม่เกิดปัญหาเวลาไปใช้งานจริงนั่นเองนะครับส่วน Android Q ก็เป็น เ, เ, เขาเรียกว่าเป็น a n d r ร i d รุ่นที่10ตัวใหม่ที่จะมาแทนที่ Android P นะี่ยรุ่นเก่าที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อย่างที่เคยคาดแลคะครับว่า Google ย่อมไม่อยากเสียลูกค้ารายใหญ่อย่ า, ยยาง h ูเ w e r ไปแน่นอนและดูเหมือนว่า การเจราจาทางการค้ากับส ห, สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นไปได้สวยระดับหนึ่งทีเดียวนะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเกมการเมืองกับเกมการค้าอย่างหนึ่งเพราะว่าอาจจะอเมริกาจะรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อตกอลองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าสุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็ต้องยอมถอยอ่ะคืออเมริกาก็ต้องถอยฮูเวย่ยเองก็ต้องยอมถอยจากที่พยายามจะบกุบ ก, บ ก, บกไปในอเมริกาเยอะๆแบบนั้นนั่นเองนะฮะก็ ต้องรอดูนะครว่าสงครามในยุคปัจจุบันที่เขาบอกว่าสงครามการค้าเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นขนาดไหนแต่เชื่อเะครับว่าสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายอย่างที่เคยบอกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ เ, เรียกว่าน่าจะได้ประโยชน์กับผลการแข่งขันตรงนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นประชาชนหรือบุคลบคลบุคคลอย่างเราทั่วไปนั่นเองนะฮะ มาปิดท้ายกันบ้างนะครับกับเรื่องราวดีๆที่นาํามาฝะเนีเป็นข้อความที่พี่มิงไปเจอเขาบอกว่าตอนเด็กๆผมเข้าใจมาตลอดว่าคนที่เรียนดีได้คะแนนสูงได้ได้อัน <c oughs> ด, ดับดีๆสอบติดมหาวิทยาลัยดีๆจบด็อกเตอร์หลายใบทคือคนเก่งนะี่ยโตมาหน่อยผมเข้าใจว่าคนที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลรับธขั้นเทพรายได้สูงๆเป็นที่รู้จักของทั่วไปหรือในสังคมคือคนเก่ง มาวันนี้นะฮะผมเพิ่งเข้าใจว่าผมคิดผิดมาตลอดคนเก่งที่แท้จริงคือคนที่ทํางานหรืออาชีพอะไรก็ได้ทําได้อย่างมีประสิท ธ, ธิภาพและถึงเวลากินได้กินถึงเวลานอนได้นอนมีเวลาก็เที่ยวเวลาออกกําลังกายมีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาให้กับคนที่เรารักมีเวลาให้กับเพื่อนๆกับส่วนรวมและที่สําคัญคือมีเวลาให้กับตัวเองคนที่สมดุลทุกๆเรื่องในแบบฉบับของตัวเองนี่แหละใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นแหละที่เราเรียกว่าคนเก่งจริงๆ ก็ฝากเอาไว้สำหรับข้อความดีๆตรงนี้ถ้าอยากจะอ่านและอยากติดตามก็มาเป็นเพื่อนกับพี่มิงได้ทาง f a c e b o o นะฮะมิงคอ o ทูเดยนะแอดเป็นเพื่อนกันเลยแล้วเราก็จะมีข้อความและความรู้ดีๆเหล่านี้มาอัปเดตกันนะครับแต่ถ้าต้องการจะอัปเดตข่าวสารข้อมูลทางด้าน IT เทคโนโลยี ology, ก็อย่าลืมไปเจอกันที่เว็บไซต์ aipfan.com นั่นเองนะครับเวลาของวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิงใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ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 คนฉันเพิ่งเข้าใจความรักที่ผ่านมาผิดหวังต่อให้เคยปวดราวฉันก็ต้องไม่โกรบาทแพลที่แล้วมาจะคอยซ้อนฉันไม่ให้ไม่ทำผิดพลาดมันดำใน อยากลองดู เมื่อใช้เวลาพูดคำลาสักคำได้ไหมแล้วจะปล่อยเธอทิ้งกันไง่ายได้จบวันและคืนที่ผ่านมาหากมันอาจยืดเวลาก่อนเธอเจะ กันไปเหมือนคำลาก็จะฟังหากมันช่วยรังเธออยู่สักแาดนาทีจะเจ็บช้ำสักเท่าไรตรงทงต้งฝืนเท่าไปจะลาเวลา ทำได้ให้แล้วจะปล่อยเธอทิ้งกันง่ายได้จบวันและคืนที่ผ่านมาหากมันอาจหยุดเวลาก่อนเธอจะทิ้งกัน ทาไต้องทนต้องนเจ่าไรจนแลกเวลาครั้งสุดท้ายจะฟัเสีเธออยลับขอมองสายตาครนั้นเป็นครั้งสุดท้ายฉนผู้ว่ามึงไม่ประยชนไม่มีอรจะเปลี่ยนใจเธอด้แล้วขอแค่เีย Tired of mine.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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999 Food Innovation and Smart Farm 2 0 1มงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสถาบันอาหารกระเกุตากรรมและสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัปเดตเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร 5-6 กรกฎาคม2562ณ ห, ห้องประชุมสงคนาพิทัก์ราชมงคลธัญบุรีโทร๐๒5 4 9 4 1 5 0 หรือ www.fisf.rmutt.ac.th FM 89.5 MHz สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญบุรี